เมื่อวานได้เล่าถึงหมาขี่เลื้อนซึ่งรักลูกมากขนาดจะตายแล้วก็ยังกระเสือกกระสนไปหาลูกน้อยเพื่อให้ได้กินนมเป็นข้า้งสุดท้ายก่อนตายสัตว์นี่มันไม่ใช่แค่รักลูกหรือว่ารักพวกพ้องเท่านั้นนะ ถึงแม้จะเป็นคนละพันคนละชนิด ก, กันมันก็รักกันสองสามวันก่อนนี้ก็มีคนส่งเป็นภาพนะเป็นคลิปด้วยแหละแต่ดูไม่ค่อยคงดูไม่ค่อยสะดวกนะเป็นภาพลูกหงษ์ดำหงดําก็คือห่านนั่นแหละแต่ว่ามันคนละพันกับหงกําลังเลี้ยงกําลังให้อาหารปลาอยู่ ลูกของดำนะกำลังให้อาหารปลาปลาคือปลาคาร์นเป็นลูกเขากำลังป้อนป้อนอาหารให้ให้ปลาคาร์ฟที่มามารอกันสลอนเลยเป็นแถวเลยป้อนด้วยหลไรป้อนด้วยจ ง, งอยปากเรื่องคือเรื่องคือว่ามันหงดำที่มันชอบว่ายในสระน้านะสระนี่ก็เป็นสวนสัตว์นะ มันก็มีปกักครับว่ายอยู่ในสวนด้วยวายไปว้ายมาก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นเพื่อนกันเวลาเขาให้อาหาราหงหงดําตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่กินให้หมดนะก็กินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอามาป้อน ให้กับปลาคาร์ฟนะป้อนทีละตัวทีละตัวป้อนนี่คือป้อนใส่ปากนะเพราะว่ามันไม่มีมือนะมันก็เอาอาหารที่มันให้เนี่ยนะป้อนใส่ปากปลาคาร์ฟทีละตัวทีละตัวปลาคาร์ฟก็มาไหว้ออกันอยู่เป็นแถวเลยมันพอมันให้อาหารเสร็จมันก็มีความสุขมันก็ ลงไปไว่ายน้ำในสระนะปลาคา้าบก็ก็จะว่ายมาทักทายอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เช็นว่าสัตว์นี่มันก็มีความรักความเมตตาแม้กระทั่งต่างพันก็มีความผูกพันกันได้ก็เรามาไปคิดว่าสัตว์นี่มัน ไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีความรักมีแต่ความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดแข่งขันกันนั่นไปคิดว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จิตใจสูงส่งมีเมตตาแต่จริงแล้วนี่สัตว์นี่หลายชนิดทีเดียวก็มีเมื่อหลายปีก่อนก็มีคนเห็นเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นเป็นฤดูหนาว หานเนี่ยตัวหนึ่งมันไปทำท่าไหนไม่รู้นะมันไปติดน้ำแข็งอยู่ที่ริมริมแม่น้ำคือแม่น้ำเนี่ยเพราะน้าน้ำก็จะแข็งแข็งเสร็จแล้วดันมีหิมะตกด้วยหานตัวนี้มันก็ติดอยู่เนี่ยเท้าเนี่ยมันติดอยู่กับน้ำแข็งมันบินไม่ได้ แล้วแถนน้ำแข็งก็เกาะตามตามปีกมันทำให้ปีกมันแข็งแ้ะเป็นอย่างนี้นี่ก็มีสิทธิ์ตายแน่นอนราะว่าจูจูเนี่ยมันมีฝูงหา่านฝูงหงมันบินผ่านมาก็คงจะอบพยพหรือไงไม่รู้มันก็บินอยู่สูงนะแต่พอมันเห็น หารตัวนี้ติดอยู่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยมันก็พากันลอดลงมาคนที่เห็นเหตุการณ์ทีแรกก็นึกว่าไอ ห, หารตัวนี้คงสวยแล้วะนะเพราะว่าหานกับหงนี่ไม่ถูกกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันกินอาหารชนิดเดียวกันก็ได้แล้วก็อาศัยที่เดียวกันไม่ถูกกันคล้ายแมวกับหมานะหรือหมากับแมวแต่ปรากฏว่าฝูงห ง, งนี่นมาลงมา มนลงมาช่วยนะก็คือช่วยกันแซะแซะน้ำแข็งนะจนกระทั่งเท้าของไอ้ห่านตัวนี้นี่มันหลุดออกจากน้ำแข็งแต่มก็ยังบินไม่ได้นะเพราะว่าปีมันเนี่ยมีน้ำแข็งเกาะเป็นเป็นเกล็ดเลยหงนี่ก็เลยช่วยกันเอา เอาปากเนี่ยจะงอยปากเนี่ยไซสนะไซสตามตามขนหานไซนายจนกระทั่งน้ำแข็งมันหลุด <นะ S 2> คราวนี้หารก็สามารถจะบินได้มันก็ดีใจมากนะมันก็รีบบินนะไปเลยก็คงจะส่งภาษาขอบอกขอบใจฝูงหงด้วยแต่แล้วฝูงหงก็บินต่อไป ก็มีคนเห็นเหตุการณ์นี้แต่น่าเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้สมัยก่อนนี่มันคงจะไม่มีกล้องแบบในสมาร์ทโฟนสมัยนั้นสมาร์ทโฟนยังไม่ออกมาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เราจะมีเรื่องราวของสัตว์ที่มันมีน้ำใจกันเคยมีคนเล่า ว, ว่าเขาเลี้ยงหมูตัวหมูน้อยไปตัวหนึ่ง ไอ ห, หมูน้อยนี่เพินมันขามันไม่ดีขาหักหรืองไง ไ, ไม่ทราบเขาก็เลยเอามันออกจากกรงแล้วก็มาเลี้ยงไว้ตรงให้อาหารมันตรงสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านนี่ก็มีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งเขาก็เลี้ยงเอาไว้เป็นแม่เป็ดนะก็ให้อาหารกันใกล้ๆกันจนกระทั่งหมูน้อยนะกับเป็ดก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเจ้าของบ้านสังเกตว่า กินอาหารไปได้ซักพักเนี่ยเป็ดก็จะแวบหายเสร็จแล้วก็ซักพักหมูน้อยก็จะแวบหายไปด้วยหายไปไหนนะสองตัวนี้วันหนึ่งเขาก็เลยจับตาดูหมูน้อยนะหมูน้อยมันกินข้าวเสร็จนะมันก็ค่อยๆ ย, ย่องเข้าไปในป่า เวลาย่องนี่มันก็จะคอยหันหลังมาดูทนันว่ามีใครตามหรือเปล่าเจ้าของบ้านก็ต้องค่อยๆเดินอทอดระยะห่างๆไม่ให้หมูได้ทันสังเกตแล้วก็ตามหมูไปเรื่อยตามไปเข้าไปในป่านะอันนี้บ้านนี่เขาอยู่ในอยู่ในเป็นอยู่ชานเมืองนะีมันก็มีป่าอยู่เป็นป่าละมอสเล็กๆ เ, เดินตามไปในสุดก็ไปเจอนงะอ่ะ หมูนี่มันทำอะไรรู้ไหมมันกาลังนั่งกกไข่ของเป็ดอยู่นะมันช่วยเป็ดกกไขนะ่เป็ดนี่กกสักพักมันก็ออกไปหากินของมันตามเรื่องหมูน้อยนี่ก็คงเห็นเป็ดนี่มันกกไข่อยู่นานแล้วก็กกอยู่เป็นประจำก็เลยคิดว่ า, าการกกนี่ก็เป็นการเป็นการช่วยเพื่อนนะมันก็เลยไปช่วยกกไข่ ให้เพื่อนของมันในระหว่างที่เพื่อนมันนี่ไปออกไปหากินแปดนี่มันก็ก็ยอมนะเพราะปกตินี่ใครจะมายุ่มย่ามไข่มันไม่มันไม่ให้หรอกมันมันนกอุสาไปกกไปออกไข่อยู่ถึงในป่าแต่ว่ามันยอมให้หมูน้อยตัวนี้เข้ามานั่งกกแทนมันได้หมูน้อยมันก็ไม่รู้หรอกมัน ทำไปทําไมนะแต่ไม่รู้ว่าเ น, นี่ยคือกิจวัตรของเป็ดแล้วก็คงเป็นหน้าที่ของเป็ดมันก็เลยอยากช่วยเป็ดบ้างนะก็ไม่รู้ว่ากกแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่คงจะไม่ทําให้ให้ไข่นี่มันแตกเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่งั้นเป็ดแม่เป็ดคงจะไล่ได้หมูน้อยกระเจิงไปแล้วนะแต่ น, นี่มันยอมนะอันนี้ก็เป็นมิตรภาพต่างสายพันธนะุ์ที่อคนไม่ค่อยได้ทันสังเกตนะ ซึ่งมันนี้ถ้ามาเทียบกับคนเราแล้วนี่อาจจะเห็นได้ว่าคนเรานี่บางทีแย่กว่าสัตว์ซะอีกเพราะว่าไอ้ความที่จะเอื้อเฟื้อกันมันมีน้อยนะอาจจะเอื้อเฟื้อกันถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเป็นเผ่าเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละเผ่าแล้วนี่โอ้สมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าตามล่ากันทำสงครามกันเป็นคนละเผ่านี่โผมา หลุดมานี่ไม่ได้นะฆ่ากันตายก็มีแต่ว่าสัตว์นี่มันให้ความถือถือเผ่าถือพันนี่ก็เรียกว่ามันก็มีน้อยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าได้อยู่ได้อยู่ร่วมกันนะได้อยู่ใกล้ใก้กันมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะสัตว์สัตว์ตในธรรมชาติมันก็มีความเอื้อเฟื้อกันเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะ จะเล่นงานกันเสมอไปบางทีสันนี่มันก็ยอมนะยอมลำบากนะเพื่อช่วยเพื่อนเขาเคยทดลองเอาให้ลิงเนี่ยลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในกรงเนี่ยลิงชินเป็นซีก็เป็นการทดลองที่ค่อนข้างจะทรมานนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีลิงตัวหนึ่งเนี่ยจะ จะถูกล็อกไว้กับไฟฟ้านะมีไฟฟ้านี่จะไปผูกติดกับมันเส้นลวดนัะนะและอีกอีกข้างๆกันเนี่ยก็เป็นก็เป็นกรงที่มีลิงอยู่หลายตัวประมาณสิบตัวได้ในกรงนี้เนี่ยมีอาหารเช่นกล้วยแต่ถ้าเกิดว่าลิงตัวไหนไปไปไปไ ป, ไปดึงกล้วยออกมา กระแสไฟฟ้าก็จะช็อตไอ้ลิงตัวนั้นไอ้ลิงตัวที่เขาแยกออกมาลิงตัวไหนไปกินอาหารไปดึงอไปดึงกล้วยลงมานี่ไฟฟ้าก็จะชอ็อตไอ้ตัวที่ถูกช่อมก็จะร้องทํำยังไงอ่ะก็ดูพฤติกรรมของลิงว่ามันทํำยังไงบอกว่ามีลิงกว่าครึ่งเนี่ยมันไม่มันเด็ด มันดึงกล้วยมาสักพักมันก็เลิกดึงแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าพอดึงแล้วเนี่ยเพื่อนมันจะเจ็บเพื่อนมันจะร้องคือลิงมันฉลาดพอที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างว่าถ้าดึงกล้วยแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันจะมันจะเจ็บปวดถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นอาจจะไม่เห็นความสัมพันธ์อันนี้แต่ลิงนี่มันมันเห็นมันฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงกว่าครึ่งก็จะไม่แตะอาหารเลยกีนเป็นได้สัก สองสาวันก็เลิกก็เลิกก็เลิกแตะอาหารแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งนี่มันไม่แตะเลยนะคือพอมันเห็นพอเพื่อนไปดึงอาหารแล้วอีกตัวนึ้งมาถูกชอ้อนนี่มันเห็นแค่นั้นแหละมันมันก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่แตะอาหารเลยเป็นเวลาสิบสิบวันไดนะ้ก็ขังมันไว้ประมาณทดลองประมาณสิบวันมันไม่แตะอาหารเลย พอมารู้ว่าถ้าแตะอาหารแล้วนี่เพื่อนมันจะเจ็บปวดไอตัวอื่นนี่ยังแตะบ้างนะแตะสักสองสาวันมันก็เลิกก็มีบางตัวที่ยังแตะยังดึงอาหารอยู่แต่ว่าน้อยมากอันนี้ก็แสดงว่าลิมนี่นอกจากมันฉลาดแล้วมันก็มีน้ําจิตน้าใจก็คือว่ามันยอมที่จะอดเพื่อไม่ให้เพื่อนเนี่ยเดือดร้อนหรือเจ็บปวดน ก็แสดงเห็นว่าลิงเนี่ยมันสามารถจะเข้าจิตเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนได้ไอความสามารถในการเข้าเข้าเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนเวลาเจ็บปวดนี่ก็ทีแรกก็นึกว่าเป็นความสามารถที่มีเฉพาะกับคนแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาพบว่าว่าสัตว์หลายชนิดเลยมันมีความสามารถอย่างนี้เช่นลิงหมาหรือว่าช้างช้างนี่ เวลาสมาชิกในฝูงตายมันก็ร้องมันก็ร้องไห้มันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันเชื่อเห็นว่าคุณธรรมเนี่ยนะคุณธรรมคือความมีน้ำใจความเอื้อเฟือ้อนี่มันไม่ได้มีแต่เฉพาะกับสัตว์ไมัมีไม่มีเฉพาะคนนะสัตว์ก็มี <c oughs> มันเกิดมามันอยู่ในยีนก็ได้ เพรา ะ, ะนั้นคนเราเนี่ยเหมือนกันนะเกิดมานี่ก็มีคุณธรรมแล้วอันนี้เขาก็มีการทดสอบที่ชี้ว่าเนี่ย เ, ออเด็กมันก็มีคุณธรรมมีน้ำจิตน้ำใจคือไม่ต้องสอนอะนะมันมีอยู่แล้วเพราะแม้แต่สัตว์นี่เราไม่มีใครสอนมันมันก็ยังมีเลย น, นับภาษาหลายคนนะก็มีแต่ว่าพอโตไปโตไปกับแห้งแรงน้ําใจกับเห็นแก่ตัวนี่เพราะว่าการสอนสอนไม่เป็นสอนผิดหรือว่าเรียนรู้มาผิดผิดนะ เรียนรู้จากโทรทัศน์เรียนรู้มาจากวิดีโอก็จิตมันก็วิปลิตได้ความเจริญก้าวหน้านี่เจริญไปเจริญมาปกติว่าจิตใจมันเสื่อมถอยได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็เตรียมรับผ